เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อในความเยื่อใยในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเก้ากรกฎาคมพุทธศักราชสอง8นห้า้อยห้าสิบแปดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัา เพื่อมาสร้างบุญสร้างคุสมที่เป็นเหมือนทรัพย์ภายในที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ไม่ว่าเราจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายส่วนทรัพย์ภายนอกเรารู้ว่าถ้าเราไม่มีร่างกายเมื่อไหร่ทรัพย์ภายนอกก็หมดความหมายไป เราไม่สามารถที่จะเอาไปกับเราได้ตราบใดที่เรายังมีร่างกายอยู่ตราบนั้นทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองต่างๆเรายังสามารถครอบครองไว้ได้อยู่แต่พอหลังจากที่ร่างกายเราตายแล้วเราไม่สามารถที่จะครอบครองทรัพย์สมบัติต่างๆ ที่เรามีได้คนจราจึงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เอาทรัพย์ภายนอกมาแปลงเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เราสามารถติดตัวไปได้เหมือนกับเราเอาข้าของเงินทองต่างๆไปขายแล้วก็ เปลี่ยนเป็นเงินเราก็เอาเงินไปฝากธนาคารพอเรามีเงินฝากในธนาคารเขาก็ออกบัตรเครดิตบัตร A ทเอให้กับเราเราก็าถือบัตรใบเดียวไปไหนก็สามารถกดเรียกเอางเงินเอาทองได้ฉันใดบนกุศลที่พวกเราทำนี้ก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตเหมือนบัตร A อทเที่พวกเรา เอาเข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี้เอามาบริจาคเอามาให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนหรือเอามาให้แก่สถาบันต่างๆเช่นสถาบันศาสนาเพื่อให้ศาสนาได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปหรือจะเอาไปให้กับโรงพยาบาลโรงเรียน หรือองค์กรสาธารณะกุศลต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นการเอาเงินเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารแล้วเราก็จะมีบัตรเอทีเมที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้เวลาเราตายไปบุญกุศลที่เราทำนี่แหละเป็นเหมือนบัตรเ t ทีเมที่จะทำให้เราสามารถเอาไปจับใจ ใช้สอยเงินทองในโลกทิพย์ได้ถ้าเรามีบัตรเอทีเมเราก็จะไปสวรรค์กันคือเราจะไปภาพตามนมุนลยา้5ดาวรับประทานอาหารร้านอาหาร5ดาวท่องเที่ยวระดับ5ดาวเพราะเรามีบัตรเอทีมมีบัตรเครดิตที่จะจ่ายให้กับค่าบริการต่างๆ แต่ถ้าเราไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเอเทีเมเราก็จะไม่สามารถไปท่องเที่ยวในระดับห้าดาวได้เราก็ต้องไปแบบขอทานขอทานไปนอนตามข้างถนนนอนตามใต้สะพานไปนั่งขอเงินขอทองขอบุญขอกุศลจากญาติสนิทมิตรสหายที่เวลาเขาทาบุญ เขาก็จะอุทิศบุญส่งไปให้แต่เป็นบุญเพียงเล็กน้อยถ้าเป็นเงินทองก็เป็นเหมือน เ, นเงินทองที่ให้กับขอทานเท่านั้นเพราะว่าบุญอุทิศนี้อุทิศให้ได้เพียงเท่านั้นดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรประมาทอย่าคิดว่าเราตายไปแล้วเราจะมีญาติมีพี่น้องมีลูกมีหลานทำบุญอุทิศไปให้กับเรา เขาก็อย่าทำอย่างมากปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นส่วนวันอื่นเราก็ต้องอดอยากขาดแคลนไปเพราะเราเป็นเหมือนขอทานที่เราต้องรอรับทานจากผู้อื่นแต่ผู้อื่นเขาจะทำทานเฉพาะวันสำคัญสาคั ญ, คญเช่นวันคล้ายวันตายของเราหรือวันที่เราวันเกิดของเขาหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถ้าเรามารอรับบุญอุทิศเราก็จะอดอยากขาดแคลนแต่ถ้าเราทำบุญของเราเองในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เอาข้าวของเงินทองต่างๆมาบริจาคมาแบ่งปันให้แก่วัดกับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลให้กับคนแก่คนชราให้กับคนพิการ ที่ต้องการพึ่งพาอาศัยจากคนที่ไม่พิการอย่างพวกเราพอเราได้ทำอย่างนี้เราก็จะมีเครดิตมียอดเงินฝากในธนาคารเราก็สามารถที่จะกดเครื่องได้ต้องการจะซื้ออะไรต้องการจะรับประทานอะไรต้องการจะไปเที่ยวที่ไหนใช้บริการแบบไหนเราเพียงแต่ รูดบัตรหรือกดตู้เอทีเอเท่านั้นเราก็สามารถทําได้เพราะเรามียอดเงินอยู่ในบัญชีของธนาคารนี่คือเรื่องของบุญเป็นอย่างนี้พวกเราไม่รู้กันมองไม่เห็นกันเพราะบุญนี้มันไม่เหมือนกับเงินทองที่เราจับได้เห็นได้แต่บุญนี้มันเป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปธรรม บุญนี้เป็นเงินของใจใจก็เป็นนามธรรมหรือใจเป็นร่างทิพย์บุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินทิพย์ถ้าเราเวลาจากโลกนี้ไปเราต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นี้เขาใช้บุญใช้กุศลเป็นเงินกันถ้าเรามีบุญมีกุศลเราก็จะมีเงินที่จะสามารถ ซื้อความสุขต่างๆได้ซื้อความสุขระดับเทวดาชั้นต่างๆซื้อความสุขระดับพรหมซื้อความสุขระดับพระอริยเจ้านี่คือบุญกุศลที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้แต่เราต้องสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างเราก็จะไม่มี เงินทองของเราที่เราไม่อยู่ในปัจจุบันนี้ต่อให้มีร้อยล้านพันล้านถ้าไม่เอามาทำบุญเวลาตายไปนี้เอาไปไม่ได้แนมะ้แต่บาทเดียวกลายเป็นของคนอื่นเป็หมดแต่ถ้าเราเอามาทำบุญทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ทำบุญนี้จะกลายเป็นเงินทิพย์ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไป ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทําบุญแล้วเราทําบาปเราก็ต้องไปติดตารางคุกในโลกที่ก็มีคุกตารางเหมือนกันหรือมีสถานที่กักกันสถานที่ที่จะทําให้พวกเรานั้นไม่มีความสุขกันเช่นถ้าทําบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นผีถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะไปติดคุกคือไปไปตกนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่ทำบุญของผู้ที่ทำบาปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราละบาปให้เราทำบุญกัน แล้วก็ถ้าเราอยากจะไปพบกับพระพุทธเจ้าในสวรรค์ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานเราก็ต้องชาระใจของเราให้สะอาดตอนนี้ใจของเราไม่สะอาดอะไรทำให้ใจของเราไม่สะอาดก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ สิ่งนี้ทำให้ใจเราเศร้าหมองใจของเราทุกข์ใจของเราไม่สบายใจใจของเราหิวใจของเราอยากก็เพราะว่าเรามีความโลภ ค, ความโกรธความหลงอยู่ภายในใจนี้ความโลภ ค, ความโกรธความหลงนี่แหละที่เป็นตัวที่จะดึงใจให้เราต้องไปเกิดในที่ต่างๆลายจากมนุษย์ ก็ไปเกิดบนสวรรค์ถ้าได้ทำบุญถ้าทำบาปก็ไปเกิดในอบายหลังจากที่ใช้บุญใช้บาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำบุญทำบาปใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ชีวิตของพวกเราก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อยู่กับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายอันนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงของเราถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกอยากจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยากจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระ น, นิพพานเราก็ต้องมาชำระใจให้สะอาดการชำระใจนี้ก็ต้อง ปฏิบัติธรรมคือต้องถือศีลแปดไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆไม่โลภไม่อยากได้อะไรนอกจากความสะอาดที่เกิดจากความสงบของใจถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิด เพราะว่าถ้าคิดก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาถ้าหยุดความคิดได้ใจเราก็จะสงบความโลภความโกรธความหลงก็จะหายไปแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจของเราให้ไปเกิดใหม่ได้อีกไม่ต้องดึงมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องหงร้องไห้เพราะ สิ่งทุกอย่างที่เรามาเกิดแล้วมาได้นี้เราจะต้องเสียมันไปหมดเราจะต้องเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเสียสามีเสียภรรยาเสียบุตรเสียธิดาเสียญาติสนิทมิตรสหายเสียบิดามารดาปู้ยาตายายเพราะของต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของถาวร มีสิ่งเดียวที่ถาวรก็คือใจของเราแต่ใจของเราไม่สามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พราเราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราได้มาเราก็จะเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีความโลกความอยากได้ไม่มีความหลง ที่จะไปคิดว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเราไม่หลงถ้าเรารู้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราจะต้องจากกันไปในที่สุดเราก็จะไม่ยึดไม่ติดเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์เราเวลาแก่ก็จะไม่ทุกข์เวลาเจ็บก็จะไม่ทุกข์เวลาตายก็จะไม่ทุกข์ เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่ตัวเรานั่นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ของเราเราได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่แล้วเราก็เอาร่างกายนี้มารับใช้ทำอะไรต่างๆตามที่เราต้องการจะทำแต่ร่างกายนี้ก็มีอายุไขอยู่ได้ไม่เกินร้อยปี ก็จะไม่สามารถรับใช้เราได้ต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเพียงคนรับใช้เวลาเขาตายไปเราก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจอย่างที่พวกเรากําลังทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เราทุกข์กับร่างกายของเรา เพราะเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นคนรับใช้ของเราที่จะต้องลาจากเราไปสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะผู้ที่จะรู้ความจริงอันนี้มีเพียงคนเดียวในโลกนี้เท่านั้นคือพระพุทธเจา้าที่เรียกว่าตรัสรู้เนี่ย พระพุทธเจ้าตัดสรู้ว่าตัวของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้ชั่วคราวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตาย ไม่ทุกกับความตายของคนอื่นก็ ร, รู้ว่าคนอื่นไม่ได้ตายสิ่งที่ตายเป็นเพียงคนรับใช้ของคนอื่นเท่านั้นเช่นเวลาพ่อแม่ตายไปนี้ก็เป็นเพียงคนรับใช้ของพ่อแม่ที่ตายไปตัวพ่อแม่ไม่ได้ตายตัวพ่อแม่ก็ไปตามบุญตามบาปต่อไปทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปอบาย แล้วเดี๋ยวก็กลับมาได้คนรับใช้คนใหม่อย่างเหมือนกับเราชาติก่อนที่เราตายไปเราก็ไปใช้บุญใช้บาปในอบายในสวรรค์แล้วเราก็กลับมาได้คนใช้คนใหม่คือร่างกายอันใหม่แต่เรามาหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นทุกครั้งที่เรามาได้ร่างกายอันใหม่เราก็ต้องมาทุกกับร่างกายอันใหม่ าะเราไปคิดว่าเป็นตัวเรานั่นเองเวลาร่างกายแก่ก็คิดว่าเราแก่เวลาร่างกายเจ็บก็คิดว่าเราเจ็บเวลาร่างกายตายก็คิดว่าเราตายทั้งๆ ท, ที่เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ ส, สิ่งที่พวกเราต้องมาชำระด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเอาไปคิดบ่อยๆเอาไปเตือนใจบ่อยๆเตื อ, อนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้เป็นเพียงคนนับใช้เราเดี๋ยวเขาก็จะต้องจากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็ต้องไปไปสู่โลกทิพย์ต่อไปถ้าเราไม่มีบัตรเอ m เมไม่มีบัตรเครดิตติดตัวไปเราก็จะต้องไปเป็นขอทานถ้าเราไปทำบาปทำกรรมเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบาย ดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะไปติดคุกติดตารางก็อย่าไปทำบาปถ้าเราอยากจะไปโลกที่แบบมหาเศรษฐีเราก็ต้องทำบุญกันมากๆแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดแล้วจะได้ไม่อยากจะมีร่างกายอีกต่อไป เมื่อไม่มีร่างกายเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือบุญกุศลที่พวกเรามาทำกันในวันนี้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนได้คือให้ทาบุญละาบาปแล้วําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่ พาบ้านของพ่พระตาเจ้านี้ไม่ต้องมีคนรับใช้เพราะว่าของทุกอย่างนั้นมีครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องเรียกใครมาทำให้เราต้องการเมื่อไหร่ก็ในระลึกขึ้นมาได้เลยขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป